ขอความสันติ ความจำเริญจากอัลลอฮ์ได้โปรดประสบด่พี่น้องผู้ที่มาศึกษาวิชาตัฟซิดในวันนี้ทุกท่านวันนี้นะครับเราอยู่ในสราอันอิสรา์นะอายาที่36กถึงอายาที่สี่บอ สูรตุนอิสรานะครับสามสิบหกสามสิสามสิบแปดสบเก้าสี่สิบสีวันนี้6อายะอูชอูดเบินัสเช่ตอนเดียวอีกเอาลอได้ตัดไว้นะครับในอายะที่36ว่าเวลาทักฟุมาลัยซาละกาบิฮีเอ็นมุนนะแปลก่อนนะครับเราไปตับซีรและอย่าติดตามสิ่งที่เจ้าไม่มีความรู้อินนสัสมอา แท้จริงการได้ยินนั้นวันบอสซารอและก็การเห็นนั้นวันฟูอาดาและก็หัวใจนั้นนะครับทําไมเอ่ยกุลุลุลาิกุลูลูลายการอันหูมัสฟูละทั้งมันเป็นการเปรียบเทียบนะนะครับเดีย๋ยวจะไปอีกทีทุกอย่างที่พูดไปการเห็นการได้ยินสิ่งที่คิดนั้นทําไมเอ่ยเป็นสิ่งที่ต้องถูกสอบสวนทั้งสิ้น ในที่นี้เนี่ยนะครับก็อ่านใช้สำนวนในเชิงเปรียบเทียบนะครับเช่นคําว่าเวเลาตักฟูคําว่ากอฟ้าความหมายตรงๆรแปลว่าตรงคอข้างหลังเนี่ยนะแต่ว่าใช้ในที่นี้หมายความว่าอย่าตามนะครับเวลาที่จะออควบคุมสัตว์จะให้ตามให้ติดยังไงเนี่ยเขาจะใช้นะอ า, อาวะช่วงหลังเนี่ยในการที่จะสั่งคําสั่ง ให้เดินหน้าให้หมอให้นูนให้หนีก็เป็นการเปรียบเทียบนะครับมัได้แปลว่าตนคอน่ะ น, นะนะครับหมายถึงว่าอย่าตามมาเลยซะละกะบิเฮเอ็นมุนในสิ่งที่ท่านไม่มีความรู้หรืออาจจะแปลว่าในสิ่งที่ท่านไม่มีข้อมูลกระดัอินนสัสอินนัสมะนะครับการได้ยิน ตรงนี้เนี่ยนะครับจะเห็นในตัวภาษาไทยก็แปลว่าหูนะเพราะว่าเราได้ยินโดยหูวันบอสาร์ร์เขาแปลตรงนี้ว่าตานะครับไม่ว่าจะเป็นหูเป็นตากันแล้วแต่ที่มันทําหน้าที่ในการได้ยินรับฟังข้อมูลเหตุการณ์เรื่องราวเนี่ยนะครับหรือว่าเห็นวันฟูอาดา้าแล้วก็หัวใจนาะที่นึกที่คิดเนี่ยนะครับออสมัยก่อนเขาไม่ได้มองว่าสมองเป็นส่วนที่ใช้คิดนะ สิ่งที่รู้สึกในใจเนี่ยนะครับความรู้สึกนะครับหัวใจบอกว่านะในใจคิดว่าในปัจจุบันเนี่ยเรามองว่านะครับกระบวนการสั่งการการสั่งค้อขอ้อมูลมาจากสมองนะแต่คนสมัยก่อนเขามองว่าหัวใจรู้สึกว่าใจนึกว่าใจมันโลเลนะการตัดสิในใจจริงจริงการตัดสินใจไม่เก็่ยวสมองนะครับแต่สมัยก่อนเขามองว่า เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามาจากหัวใจก็อ่านพูดแบบนี้ไม่ใช่เรื่องผิดเรื่องถูกนะใช้สำนวนตามที่คนเข้าใจนะครับกุลู อ, อุลาอิกะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับทำไมเอ่ยจะเป็นหูก็ดีเป็นตาก็ดีจะเป็นหัวใจก็ดีการได้ยินการเห็นการคิดการอันผูมัสอูลาจะถูกสอบสวนตอนไหนครับในวันกียร์มา ตรงนี้เนี่ยมีประเด็นน่าสนใจหลายประเด็นประเด็นที่หนึ่งอายัก์ก็ว่าอานตรงนี้ต้องการเตือนว่านะครับสิ่งที่ไม่ได้มีหลักฐานตรงๆเนี่ยอย่ากล่าวหานะเพราะว่าเราต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราเผยแพร่ต่อไปตรงนี้อันตรายมากนะครับในปัจจุบันเนี่ยการบอกต่อข้อมูลทำได้ง่ายมากและก็ลบได้ยาก สมัยก่อนพูดไปแล้วเนี่ยนะครับแต่คนลืมก็ลืมสมัยนี้คนลืมแต่ยังมีภาพอยู่ยังแคปหน้าจอเก็บไว้ได้ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเวลาโจมตีใครสักคนเนี่ยบางทีเป็นเรื่องที่เขาเคยโพสในอินเทอร์เน็ตมาแล้ว5ปีสิปียกกำมาใหม่ฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยนะครับจะนําเสนออะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะนะครับระวังไว้เพราะว่ามันลบยากกว่าเดิม สมัยก่อนผมแต่ผมนินทาคนเนี่ยคนได้ยินก็คนในวงตอนนี้แต่ผมส่งข้อความนินทาว่าร้ายคนเนี่ยนะครับส่งไปในกลุ่มในกลุ่มมีส0 0รคนอีกสองรอคนก็มีอีกยี่สิบกลุ่มถูกอป่ามและ ก, ก็กดแชร์แชร์แชร์แช ร, ช ร, ชร์บาปที่จะเกิดเนี่ยมันทวีคูณมากกว่าเดิม ในอิสลามจึงให้ความสำคัญกับหลังฐานนะครับเช่นถ้าเราจะบอกว่าใครทำซีนานั้นถึงขั้นที่ว่าต้องเห็นการสอดใส่นะในสมัยยาฮิลียาเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยทำไมเอ่ยมีการถูกกล่าวหาง่ายมากเกิดขึ้นมาเป็นลูกใครอ้าวพอถูกกล่าวหาแบบนี้มันไม่ใช่แค่เด็กไม่มีพ่อนะะมันพ่วงไปยังอื่นด้วยสิทธิในมรดกของพ่อ อ้าวพ่อไม่รู้ว่าพ่อเป็นใครเกียรติยศการดูถูกชีวิตของเขาถูกกำหนดเลยครับเวลาที่สมัยก่อนในยุคยาฮิเลียเด็กคนหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วถูกกล่าวออกมาโดยไม่มีเนี่ยมาไรซาละกดีเอ็นมุนไม่มีหลักฐานไม่มีความรู้ว่าแกเป็นลูกซีนาพ่อแกไม่ใช่คนนี้ชีวิตเปลี่ยนไปเลย จากสิทธิ์ที่เคยได้รับมรดกจากฝ่ายพ่อเกียรติยศศักดิ์ศรีกลายเป็นเด็กที่ไม่มีพ่อฐานะทางสังคมลดลงมาถูกเหยีย็นยามถูกอับอายทั้งชีวิตเปลี่ยนไปเลยนะครับชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนไปเลยในอิสลามเนี่ยนะครับก็เลยกําหนดว่าของที่เ้าเรียกว่าถ้าจะกล่าวหาเนี่ยต้องใช้ดารีนที่ชัดเจนนะครับเช่นในกรณีของการทำสีหนา การต่อรับหมายถึงการกล่าวว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยไปทำซีนาหลักฐานต้องมาแบบเห็นการส่อใส่เลยให้ความสําคัญตรงนั้นเพราะว่าผลที่ตามมามันพ่วงนอกจากเกียรติของผู้หญิงคนนั้นแล้วเนี่ยเกียรติยศนะครับถ้ามีข่าวว่าทำซีน า, าใครจะมาขออ่ะทะท้องขึ้นมาโอ้โหหลายเรื่องนะนอกจากดดรีนแล้วเนี่ยนะครับยังมีอีกกรณีหนึ่งที่อนุ ญ, ญาตให้ใช้ได้แม้จะไม่ชัดเจนร้อยปอร์เซ็น ในทางอุตุนฟิกเรกวาวอนยอนที่ไปว่าคิดไปเองเนี่ยนะครับแต่ว่าวอนอักลับการคาดการแต่ว่ามีความเป็นไปได้สูงยกตัวอย่างเช่นผมทําไร่องุนนึกออกไหมแล้วก็ขายอ่งุนผลผลิตของผมเนี่ยให้กับเจ้าของโรงงานทําเบียรอ่างุนไม่ได้ทำเบียเด็ดทำไวน์นะบเบียรมาจากคาบาเลสแค่นี้ ในทางฟิกเนี่ยก็มองว่าขายอาัญูไปเนี่ยมันผิดตรงไหนขายของฮาลานนึกออกไหมแต่ว่าเป็นยอนอักกลับความเป็นไปได้สูงที่เอกคนที่มาซื้อผมเนี่ยมันจะเอาไปทําไวน์เพราะอะไรล่ะมันเป็นเจ้าของโรงงานไวน์ครานี้ถ้าจะบอกมันอาจจะซื้อไปกินเองก็ได้ก็ดูจากในบบดรอบข้างเช่นมันซื้อกิโลล่ะ หโลสิบโลเป็นไปได้ให้ลูกให้เมียกินสิบโลเอาไปฝากเพื่อนบ้านนี่ถ้ามันเหมาทีเจ็ดไร่แบบนี้มันไม่กินเองหรอกนะครับมันเอาไปทําอย่างอื่นคร น, นี้ความเป็นไปได้สูงมากเลยครับที่มันจะเอาไปทำไวน์เพราะมันเป็นเจ้าของโรงงานไวน์ถ้าอย่างนี้ถ้าอุปกรณทางฟิกเนี่ยนะครับก็ถือว่าฮาลามที่จะขายองุ่นให้กับเจ้าของคนนี้นึกออกมหมยอนเนี่ยถ้าเป็นยอนแบบยอนธรรมดา อันนี้อิสลามเตือนนะครับว่าอินดบะดอนซอนนี่ทไมออิสมุนการคาดคเนแบบเนี้ยเป็นบาปเพราะมันไม่แน่นอนแต่ถ้าเป็นซอนอากลับมีความเป็นไปได้สูงอย่างนี้ผูกรมทางฟิกก็ถืออนุญาตอันนี้เป็นประเด็นทางฟิกถ้ามาดูในกฎหมายไทยมันจะมีสองประเด็นความผิดบาประการต้องพิสูจน์ให้สิ้นข้อสงสยัยเช่นกล่าวหาผมว่า อะไรล่ะทำผิดคดีอาญานะครับผมก็โต้แย้งเลยไม่มีไม่มีมมพิสูจน์จนสิ้นข้อสงสัยเลยร้อยอร์ซว่าผมไม่ได้ทำแต่ในบางกรณีเนี่ยไม่ต้องร้อยเปอร์ซเช่นยกตัวอย่างเออความเสื่อมเสียในองค์กรอย่างผมในเปรีจาจย์สมมตินะในหน่วยงานสุดมหาลัยมีคนกล่าวหาว่าลวนลามอ่าลวนลามหรือว่าโกงเงินมหาลัย ครณนี้เวะลาตั้งกรรมการสอบเนี่ยเขาไม่ต้องถึงขั้นพิสูจน์ให้สิ้นข้อสงสัยถึงขั้นแค่ว่าถ้ามีเหตุทำให้เชื่อได้ว่าผิดจริงก็ตัดสินแล้วมันมีแบบนี้นะหนึ่งถ้าเป็นกรณีอาญาเนี่ยพิสูจน์ให้คิดสิ้นข้อสงสัย 100% ร้อยเปอร์เซ็นตคิดไม่ผิดตัดสินตามหลักฐานที่มีถ้าไม่มีก็ถือว่าได้ประโยชน์ยกประโยชน์ให้ไปให้จาเลยไปแต่ในบางกรณีเนี่ย แค่เป็นเหตุทําให้เชื่อได้ว่าสำนวนจะต่างกันผมโกงไหมไม่โกงแต่ว่าพอไปตุลักฐานชัดๆไม่มีแต่ดูแล้วเนี่ยเงินเข้าเงินออกมันเป็นเหตุให้เชื่อได้ว่าอย่างเงี้ยนะต่างกรรมาการสอบโดนเหมือนกันนะครับจะเปรียบเทียบก็ท้ายกรณีเมื่อกี้ยอนอัคหลับนะอันนี้เนี่ยนะครับมีกรณีหนึ่งให้น่าสนใจคือว่าสอบบ้านท่านหนึ่งชื่อว่าอุซาม่าบินเซตอุซาม่าบินเซตเนี่ยนะครับ เป็นสอบาคนนี้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องแล้วก็มีส่วนสำคัญในประวัติศาสตร์เอาเฉพาะกรณีนี้ก่อนอุซามะเบนเซดเนี่ยทำไมเอย่ยผิวดำนะแต่ว่าพ่อเนี่ยทำไมเอย่ยผิวขาวอ่าคนก็คล้ายๆว่ากล่าวหาว่าไม่ใช่ลูกพ่อเป็นลูกคนอื่นไม่ใช่ลูกพ่อ ตรงนี้ในท่านอาบีเนี่ยนะครับมีชายคนหนึ่งมาหาท่านอาบีบอกว่าเอ๊ลูกฉันเนี่ยผิวดําฉันขาวเนี่ยไม่น่าจะใช่ลูกฉันนบีก็ถามไปว่าท่านมีอูดไหมในตัวบทฮะดิษนะครับมีแล้วก็มีสีที่ว่าสีดํำไหมสีอื่นไหมมีเอาแล้วมันยังไงแหละเขาก็ว่าเป็นไปได้ที่ว่ามันจะมาจากถ้าเป็นทางดินเอคือปมเด่นปมด้อยชั้นพ่อไม่มีดําเลยนู่นชั้นญามันดํา ปรากฏว่ามาออกที่หลานไม่ได้ออกที่ลูกมีความเป็นไ ป, นปนได้นะถ้าอุซามะบินเศษเนี่ยเป็นใครเป็นลูกของเศษเศษบินฮาริซ่าคุณไม่ชื่อนี้แม่ของอุซามะบินเศษเนี่ยชื่อว่าอุมุนไอมันนะครับเป็นทาสของนหยินอามีนานะแม่ของท่านอบี ครั้นี้เวลาท่านดบีเนี่ยนะครับอยู่กับแม่เนี่ยตอนจะไม่เสียชีวิตก็เห็นไหมรู้จักกับแม่ของเซธด้วยแม่ของอุซามะด้วยพ่อของพ่อของอุซามะคือเซธก็คือเป็นท่านชั้นของท่านหญิงมคอดียาศมาลับอิสลามหลังจากนั้นโปรให้เป็นไทยก็ยังขอติดตามอยู่นะครับท่านนับีก็รับเป็นบุญบุญธรรมอ่ามันก็มีกรณีมาและเซนบินฮาริซาก็เป็นซอบ้าซึ่งเป็นท่าน ที่อาจจะเป็นท่านเดียวนะั้นเป็นท่านเดียวในกุอ่านที่ถูกกล่าวชื่อไวต้ตรงๆในกรณีที่ว่ายากับอะไรละ่ระภรรยาของท่านแล้วสุดท้ายภรรยาของท่านมาแต่งงานกับท่านนาบีก็เป็นกรณีว่าเอ๊ะภรรยากับลูกคุณทำแต่งกันนบีได้ไหมเนี่ยเนี่ยคือเศษคนนี้เป็นพ่อของอุซามะนะครับมีกรณีเต็มไปหมอุซามะหลังจากนั้นเนี่ยคนลูกก็เป็นแม่ทงแม่ทัพมีประเด็นเต็มไปหมดในใ น, ในทางอิศาสต์นะอา้าวสรุปแล้วเนี่ยในกรณีนี้นะครับ อายานี้เนี่ยมีการถกประวัติศาสตร์เที่ยวข้องด้วยนะแล้วก็อยกายะกูอ่านตรงนี้ก็เตือนด้วยว่าบางทีสิ่งที่เราคิดไปเองโดยความเป็นไปได้น้อยนะครับไม่เกินครึ่งเนี่ยหรือว่าสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินเนี่ยระวังให้ดีเพราะว่าทําไมเอย่อยกุลูอุไรการอันูมัสปูลาทุกอย่างตรงนี้ถูกสอบสวนหมดขณะนี้ในปัจจุบันเนี่ยความผิดต่างๆเนี่ย บางทีเจ้าตัวก็เปิดเผยเองออกสื่อโพสต์วันแหละวันนี้คิดยังไงวันนี้โกรธใครวันนี้ชอบใครก็มาโพสต์ลงที่สาธารณะคนก็เข้ามาอ่านปัจจุบันเขาก็เถียงกันบน Facebook เนี่ยเป็นพื้นที่ส่วนตัวหรือว่าเป็นพื้นที่สาธารณะไอ้เจ้าของบอกพื้นที่ส่วนตัวฉันจะว่าอะไรก็ได้ไอ้คนอ่านบอกส่วนตัวที่ไหนละ่ะก็เซตไวให้เป็นสาธารณะก็แล้วแต่ถกเถียงกันไปยังไงก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ ไม่ได้เป็นหลักฐานห้ามว่าให้มีการสอบสวนหาข้อเท็จจริงนะบางทีมีความเสียหายอะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราจะนําไปสู่ความเสียหายที่มันยิ่งใหญ่กว่าเราสามารถสอบสวนได้แต่ทําให้เป็นธรรมให้ยุติธรรมหาหลักฐานหาข้อเท็จจริงจะถึงขั้นพิสูจน์ให้สิ้นคอสงสัยหรือว่าแค่เป็นเหตุที่ทําให้เชื่อได้ว่าก็แล้วแต่ตามความเหมาะสม นะครับเตือนไว้ว่าทุกอย่างที่ทำไปถูกสอบสวนแต่ไม่ได้ห้ามการหาข้อเท็จจริงนะในอายะห์ต่อมาครับอายะห์ที่3ามิเอลอฮตรัสไว้ว่าเ <c oughs> วลาตัมชีฟินอารบดีมราหาอย่าเดินบนหน้าแผ่นดินมราหามาล็อจริงๆแปลว่าความชื่นบานความสดใสในตรงนี้เนี่ยนะครับหมายถึงอย่าเดินบนหน้าแผ่นดินด้วยความเยอ่หยิง โดยความตะกับดบนะเพราะอะไรครับอินนากาลันตักลิกอนอปดอเพราะท่านนี่ไม่สามารถจะทำให้แผ่นดินเนี่ยมันแยกได้วันตับลูกอลจิบาละตูลาแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำให้ตัวเองนสูงเท่ากับภูเขาได้เป็นแบบนี้มาทีฟังเรางงๆนะมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยเดินบนหน้าแผ่นดินปี่นองตัวเราถ้าเทียบกับแผ่นดินแล้วนิดเดียว พี่น้องอยากทราบว่าตัวนิดแค่ไหนแต่พี่น้องนะครับดูจากที่ไกลๆบางทีเรามองตัวเองเป็นจุดสูงกลางเรานี่มันใหญ่เดินอะมันคับซอยรับบ้านรับเมืองไปหมดแต่ว่าเวลาถอยออกมามองพี่น้องตะไครมีโดนมี Google Earth อะนะดูที่สูงสูงะมองจากขับบินลงมามองไม่เห็นเล็กมากบนหน้าแผ่นดิน จริงๆเราไม่ได้ใหญ่อย่างที่เราคิดนะครับก็อ่านเดยใช้สำนวนที่ว่าคนที่เดินบนหน้าแผ่นดินด้วยความหยิ่งผยองเนี่ยจริงๆแล้วเป็นแค่จุดเล็กๆบนหน้าแผ่นดินไม่สามารถที่จะยิ่งใหญ่จกนกระทั่งเดินแล้แผ่นดินมันแยกมันแตกไม่ถึงขนาดนั้นน้ำหนั ก, กเราที่อยู่บนพื้นดินปีน้องนิดเดียวอย่างผมเนี่ยเจ็สิบเจ็ดตั้งใจว่าจะให้ตามมาเจ็ดสิบห้า 75, นะครับเริ่มอ้วนละ น, นิดเดียวน้ำหนักตรงนี้เดินบนหน้าแผ่นดินพี่น้องแผ่นดินไม่ได้ระคายเคืองเลยไม่ได้มีความยิ่งใหญ่อะไรบนหน้าแผ่นดินไม่ได้แยกออกไม่ได้มีน้ำหนักบนหน้าแผ่นดินมากมายในขนาดเดียวกันวารันตับลูกอนจิบาราตูลาตัวผมก็นิดเดียวร้อยเจ็ดสิบสามไม่ได้ใหญ่สูงเทียมภูเขานิดเดียวมนุษย์นิดเดีย ว, ยดดยวฉะนั้นเราเนี่ยเล็กกว่าแผ่นดิน เราเนี่เตี้ยวกว่าภูเขาแต่ว่าบางทีเรามองตัวเราเองนั่นทําไมเอ่ยยิ่งใหญ่เหลือเกินก็อ่านบอกว่านิดเดียวครับนิดเดียวเป็นแค่คนบนหน้าแผ่นดินนอกจากนั้นพี่น้องเวลาตายไปแล้วเป็นไหนครับเป็นปุ๋ยครับอยู่กับรากมะม่วงบ้างเป็นฝุน่นบะ้นางนะเวลาอยู่ในกูโบ่เนี่ยบางทีกับยุ่ยไปแล้วเป็นสารอาหารพืชดูดกินไปหมดแล้ว อาจจะเป็นนอนเป็นไรกันแล้วแต่สุดท้ายเรามีค่าแค่นั้นมนุษย์เท่าดินนะครับแต่ไม่ได้ว่ามนุษย์ต่ำต้อยนะเพราะสิ่งที่ยกเกียรติมนุษย์คือความดีไม่ได้ตัวร่างกายหรือตัวเองความดีต่างหากที่มีแต่น้ำหนักบนตาช่างในวันกี่ยงนะอายาที่สามสิบหกเตือนว่าระวังให้ดีนะ หูตาหัวใจการมองการได้ยินความคิดต่างๆถูกสอบสวนนะครับไม่ใช่ในโลกนี้แต่ว่าเป็นวันกยามะคาเตือนข้อที่สองเวลาใช้ชีวิตอยู่ mm hmm. <B> เดอโบน้าแผ่นดินก็คือชีวิตที่มีชีวิตอยู่ยังไม่ตายเนี่ยนะครับพอตายแล้วมันอยู่ใต้ดินตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยอย่างมีชีวิตอยู่อย่างยิง่งยโสคนที่ยิ่งใหญ่นะอดีตเวลาไปอ่านปฏิสานแพี่น้องยิ่งใหญ่เหลือเกิน ยกตัวอย่างเชงกิสคาร์ตรีชนะหมดพี่น้องตีมาถึงอินโดฆ่ามาญี่ปุน่นในจีนเก็บเรียบแล้วลากไปนูน่นปถล่มแบกแดนอีกลากเข้ายุโรปโอ้โหไปไกลมากแต่เวลาเสียชีวิตนะครับต้องการพื้นที่แค่ฝังแค่นะนะบางคนยิ่งใหญ่กว่านั้นที่ฝังก็ไม่มีศพอยู่ไหนก็ไม่รู้ตายตอนไหนก็ไม่ทร า, าบสุดท้ายมนุษย์อยอะเยอะยิงเย อ, อ, ยเย อ, อยเะเขายอม่งหน้าแผ่นดินก็อ่านเตือนไว้ นะครับแล้วก็ข้อหมวดปมไว้ในอายะห์ที่สามสิบแปดครับกุลูดาลิกาการาซยอหูอินดารบิกามักรูฮานะที่กามาเนี่ยข้างต้นจะเป็นเาเรียกว่าการใช้ชีวิตโดยเขาเรียกว่าเอ่อโดยถูกสอบสวนก็นดีนะครับจะทำอะไรคิดได้ดีนะถ้าไม่มีความรู้ไม่มีความแน่ใจไม่มีข้อมูลอย่า ก, กระจายออกไป เพราะว่าหน้าอัลลอฮ์นั้นทําไมเอ่ยไซยูมันน่ารังเกียจนะครับมันมักรูฮ า, ายยไซเยะแปลว่าไม่ดีมักรออะแปลว่าน่ารังเกียจเช่นเดียวกันกับพฤติกรรมการหญิงพยองบนหน้าแผ่นดินมนุษย์จริงๆเนี่ยไม่ได้หญิงนะครับแต่ว่าเมื่อมีปัจจัยอื่นเข้ามาเช่นประสบความสําเร็จในชีวิตมีพวกเยอะมีทรัพย์เยอะเราจึงรู้สึกว่าตัวเรานั้นทําไมเอ่ยใหญ่กว่าที่เป็น นะครับนะซอยเนี่ยมีห้าสิบหลังคาเรือนบ้านเราใหญ่ที่สุดบ้านเราใหญ่นะเราคิดว่าตัวเราใหญ่ไปด้วยเพราะบ้านเราใหญ่เพราะเรามีทรัพย์สินมากที่สุดในซอยห้าสิบลังคาเรือนเราก็คิดว่าเราเนี่ยมีน้ําหนักมากกว่าเดิมเวลาจะพูดจะทําอะไรมีน้ําหนักคนต้องฟังก็อ่านบอกว่าถ้าเทียบกับแป่นดินแล้วเนี่ยเดิมบนหน้าแผ่นดินน้ําหนักที่มีไม่ได้ทําให้แผ่นดินแยกนะร่างกายก็ไม่ได้สูงเท่าหูเขา เราก็เป็นอย่างที่เราเป็นนะครับถ้าจะแข่งกันแข่งกันที่ความดีนะต่อมาครับในะอายะที่สามสิบเก้าอัลลอตรัสไว้ว่าจาลิกามิมาเอาฮาอิเลิกะนะอันนี้พูดถึงท่านอบีนะครับบอกว่าส่วนหนึ่งนะครับคือสิ่งที่อัลลอฮฺทำไมเอ่ยเอาฮาอิเลิกาให้วะฮีกับท่านประธานวิวรให้กับท่านรบบูก้า ใครให้ครับพระผู้เป็นเจ้าของท่านระทา้าในกับท่านมีนั่นให้มะจากฮหกมะความเข้าใจที่ลึกซึ้งเวลาทจะอัญมัลล์ออนอหอิลาหันอาคตอย่าเอาสิ่งอื่นมาเป็นพระเจ้าคู่กับอ้ลนวอนฟตุนกาฟียะหันมะพ่อวัาถ้าทแบบนั้นแล้วจะถูกโยนลงไปในนรกยะหันมะมารูมันนะครับแบบที่ถูกสาบแช่ง นาะมารูมันล้ามากแปว่าตำหนิสาบแช่งมัตต์หูรอมัตตหูรอมีมานามัตรุษนะครับผูกขับไล่บอกกับท่านนาบีว่าสิ่งที่ให้กับท่านนาบีเนี่ยเป็นวาฮีนะมาจากอลัลลอฮ์ไม่ได้มาจากนาบีเองวาฮีที่อลัลลอ์ลงมาเนี่ยพี่น้องเป็นฮิกมะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้เกิดความเจริญเกิดขึ้นเยอะแยะมากมาย หลายครั้งที่ผมนาเสนอให้พี่น้องเปรียบเทียบภาพก่อนที่อิสลามกมจะมากับหลังอิสลามจะมาคนอาหรับเป็นอุมมียนเป็นกลุ่มชนซึ่งไม่ได้ยมการอ่านการเขียนมีส่วนน้อยที่อ่านได้เขียนได้แต่ส่วนมากไม่ได้ฐานะทางสังคมเมื่อเทียบกับอาลุนกิตาบเราอยากว่าอาลุนกิตาบชาวคมภีร์จริงๆคือชาวหนังสือเพราะก็มีคมภีร์พอมีคมภีร์แล้วเขาต้องอ่านต่างกันนะ คนระดับมองว่าการอ่านไม่มีความจําเป็นเพราะในชีวิตประจําวันในความเชื่อที่มีอยู่ไม่มีคำภีรตั้งภาคีกาบไหว้เส้นไหว้จะประวงตะวับกัแล้วแต่ไม่มีคัมภีร์ฉะนั้นการอ่านไม่จําเป็นแต่ชาวคมภี์ที่เป็นนสอเป็นเยโฮดเนี่ยนะครับเขามีคัมภีร์ของเขาทําให้เกิดการศึกษาการอ่านถ้าย้อนกลับไปในประเทศไทยชนกลุ่มแรกๆที่ทําการอ่านออกเขียนได้คือคือนักบวชคือพระ สมัก่อนเรีนหนังสือต้องเรียนกับพระนะครับเพราะว่าทำไมล่ะอยู่กับคำพีพออยู่กับคำพีแล้วขนพลอยได้ที่ได้ก็คือทำให้เกิดการอ่านออกเขียนได้นะครับครานี้เวลาจะสร้างอุ ม, มะอิสลามขึ้นมาทำยังไงครับต้องทำให้ชนชาตินี้มีคำพีก็อ่านจึงประทานอญญายะแรกมาว่าอิกรา ะ, ะไม่ได้บอกให้จงละมาจงอิบารดา้าแต่ว่าจงอ่าน อาญาตรงนั้นส่งผลนะครับทําไมเอ่ยให้ชนชาติที่เคยเป็นอุมียีนเนี่ยนะครับอา่านไม่ออกเขียนไม่ได้เนี่ยนะเป็นคนอาหรับเนี่ยมีสถานะเท่าเทียมกับชนดีนะครับคัมภีร์ก่อนหน้านี้มีอัลกุรอานแล้วจะศึกษากุรอานต้องอา่องอานต้องเขียนเราทุกวันนี้พี่น้องต้องเรียนกุรอานนะครับเพราะทํามล่ะมันมีคัมภีร์ทําให้เราอ่าน อ, ออกเขียนได้ไปด้วยส่งผลนาะ แล้วก็มีเขาเรียกว่าพัฒนาการเต็มไปหมดเลยสมัยก่อนภาษาอาหรับไม่มีสระที่มีต้องอ่านอยู่เนี่ยนะครับนะไม่มีจุดด้วยแต่ว่าหลังจากนั้นต้องมีพัฒนาการด้านตัวเขียนด้านตัวอักษรให้มันอ่านออกง่ายกว่าเดิมเพราะว่าคนที่มาเป็นมุสลิมใหม่บางทีไม่ใช่คนอาหรับอ่านไม่ออกหลังจากนั้นภาษาอาหรับตัวเขียนเนี่ยก็มีรูปแบบที่ค่องข้างที่จะมีสัสดส่วนมากขึ้น สมัยก่อนตัวซีเนี่ยถ้าไปดูในะจารึกเก่าๆนะีซีเนี่ยมันมันไม่ได้นอนนะสามฟันเหมือนกันแต่มันมันมันอย่างเงี้ยบางทีกระเฉียงเพราะยังไม่มีมาตรฐานหลังจากนั้นพอก็อ่านเนี่ยลงมาแลว้วค้นในความสำคัญการอ่านการเขียนตัวเขียนพัฒนาจนถึงขั้นไปสู่งานวิจิตสิล์เป็นวิชาคอรดเขียนตามพนงผนังในพี่น้องไม่ธรรมดานะถ้าพี่น้องคิดว่าธรรมดาพี่น้องลองดู มาสิกไหนก็นแล้วแต่ที่ก็มีตัวเขียนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ลายเส้นสวยงามนะมันจะมีสัสดส่วนของมันอลิปในย า, ยาวได้เจ็ดเจ็ดจุดสัสดส่วนนะคันนี้อายะก็อ่านหนึ่งเช่นคุณวลอลโลว์อะฮัตเนี่ยที่เป็นตัวเขียนเนี่ยนะไม่ได้ไม่ได้ลาก ม, าม้วนๆนะมันจะผมจุ่มผู้การเสร็จอยากจะลากก๊อปยาตอนนี้ก็ได้ลามยาตอนนี้ก็ไม่ได้นะมันจะมีสูตรของมันคันนี้การที่ นี่คือตัวสองภาษาถานะเริ่มจากอีกรออ่านได้มาสู่การเขียนได้แล้วก็ไปสู่งานวิจิตสศิลเวลาที่จะเขียนลงในอาคารเนี่ยพี่น้องมันนำมาสู่ศาสตร์ของการคำนวณเช่นผนังเนี่ยเอาพี่น้องวัดดูกวา้างเท่าไรยาวาย่สมมติวัดเสร็จกักะนะสูงเท่าไรได้ห้าเมตรยาวแปดเมตรผมจะเขียนกุ้งหัวโลหะฮัทลงบนผนังฝั่งนี้ เกิดอะไรขึ้นผมต้องคํานวณแล้วเนื้อที่มีเท่าไหร่และก ว, วกนโลหะของผมเนี่ยจะใช้สัสดส่วนยังไงเพราะว่าถ้าอาริันยาวเท่านี้ตัวลามก็จะยาวเท่านี้ไปด้วยมันนํามาสู่การคํานวณฉะนั้นงานคอดวิ จ, จนนิตรินป์ในมัสยิดต่างๆในสมัยก่อนหรือในสมัยปัจจุบันก็นแล้วแต่ไม่ใช่แค่ความสวยงามมันหมายถึงการคํานวณสี่เหลี่ยมนี่ง่ายนะ ถ้าเป็นโดมโค้งวงกลมอีกเอา้าการหาสูตรวงกลมหายยังไงยากกว่าสี่เหลี่ยมอีกแล้วมันทีมันไม่ใช่วงกลมธรรมดามันเว้าไปอีกนึกออกไหมแล้วเวลาเขียนตัวอนรต้องต้องพอดีให้กับพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันสูนำมาสูวิธีการคำนวณ น, นำไปสู่สาสตริตศาสตร์ต่างๆมากมายไปหมดนั่นคือตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ในาีคิดแต่ว่าเป็นสิ่งที่ทาไมเลยอัออลลอให้วะฮีลงมา ในอรารยธรรมอิสลามนีพี่น้องเป็นอรารยธรรมแห่งการศึกษาเพราะอายะแรกที่ลงมาทําไมเอย่ยสั่งให้คนอ่านสั่งให้คนศึกษานะครับส่งผลตามมาครับคนที่เป็นมุสลิมเป็นคนที่รับ ก, การศึกษาบางคนบอกปัจจุบันเห็นจริงเลยเราไม่ค่อยเรียนกันเยอะ ถ้าพี่น้องไปดูในประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ตั้งขึ้นมาในโลกเนี่ยคือมหาลัยอะไรทางฝั่งฝรั่งก็บอกว่ามหาลัยแห่งแรกในโลกในโลกเนี่ยนะครับที่ตั้งขึ้นมาคือโบลญนาโบลอนยาอยู่ที่อิตาลีปีที่ตั้งคือ1088นี่ปีคศนะมันจะปีคศนะ1088ปัจจุบันปีเท่าไหร่2020ก็ตั้งมาเท่าไหร่ละ เกพันปีนึกออกไหอันนั้นคือทางฝรั่งเข้าบันทึกของเขาว่าบโบลอยาที่อิตาลีเป็นมหาเลยแห่งแรกไม่ใช่ออฟฟอร์ดไม่ใช่แคมบิดนเป็นที่บโบลญญาที่อิตาลีแต่ว่าในประวัติศาสตร์แล้วมหาเลายแห่งแรกที่ตั้งเนี่ยเป็นของมุสลิมครับคือมหาเลยคนชอบคิวอาสาจริงไม่ใช่อัสสถาอัสสถเนี่ยเก่ากว่าบโบลอญาบโบลญาหน8ศ์อัสเกจด 97, 2, เก่ากว่าหนึ่งสปี คิดดูดิหมาหลายในโลกอิสลามเนี่ยมีมาร้อยสิบหกปีคือศตวรรษหนึ่งแล้วเนี่ยในโยโุโรปคุณจะมีนา น, นําไปเยอะนั่นคืออสัสฎาแต่ที่เก่าแก่วา่าอัษฎาและเป็นมหมาลายแห่งแรกในโลกเนี่ยพี่น้องอยู่ที่มรโฆโฆ็อโกหมาหลายคาร์วินปัจจุบันยังมีอยู่อยู่ที่เมืองเฟสก่อตั้งเมื่อปีแปดห้าเก้าจะจดกัน 8, 5, แหแปดห้าเก้าแปลว่าในโลกอาหรับเนี่ย มุสลิมเป็นผู้ที่ตื่นตัวในการศึกษาก่อตั้งมหาวิทยาลัยแปดห้าเก้านะถ้าไปลบกับหนึ่งศูนย์แปดแดเนี่ยสองร้อยี่สิบเก้าปีนี่ผมคิดเลขมาแล้วไม่ได้ลบเก่งขนาดนั้นสองรอยี่สิบเก้าปีแปลว่าอะไรพี่น้องสองศตวรรษกว่ากว่าที่คนอาหรับมีมหาวิทยาลัยและมีการคำนวณเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับทำไมเอ่ยหลังจากนั้นในโยุโรปพึ่งจะ ก, ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งแรกครับ กาวียีนที่เฟสโมร็อกโกแปดห้าเก้าเป็นที่ร่ำลือกันนะครับอัสสัตเราชอบคิดว่าอัสสัต์เก่าที่สุดจริงอัสสัตต์ไม่ได้เก่าที่สุดนะครับอัสสัตต์คือเก้าเจ็ดสองอย่างไรกันแล้วแต่ยังเก่ากว่าทางยุโรปโบโลญญาคือหนึ่งศูนย์แปดแปดไม่นำมาอะไรที่หลังนะครว น, นี้ถามว่าอายาที่ว่าดาริกามีมาเอาฮาอิเลาการับบูกาไม่นานให้ไหมอัลลอฮ์เนี่ยให้ไวฮีลงมา ไม่ได้บอกให้เนี่ยอาญาต์ก็อ่านประทานลงมาไม่ได้บอกให้ทําการอิบานได้อย่างเดียวแต่ยกระดับผู้คนด้วยกับการศึกษาเพราะสั่งว่าอิกราะจงอ่านน บ, บีเนี่ยตอนแรกเจอไปกับช็อกเหมือนกันเพราะอ่านไม่ได้สั่งซ้ําอิกราะไมไในการกอท่านน บ, บีอิกราะหลังจากนั้นก็อิกราะบิสมิรอบบิก ล, ลัลดีเขาละศึกษาอ่านไม่ได้มุ่งทางวิชาการอย่างเดียวแต่ว่า บีเอสมีรอบมการขอลนะครับทำไมเอ่ยศึกษาด้วยกับด้วยกับพระนามของพระผู้เป็นเจ้าฉะนั้นบุคลิกภาพของมุสลิมถูกกำหนดด้วยกับอาย่านี้ครับหนึ่งเป็นผู้ที่ใฝ่หาการศึกษา 2. ความรู้ที่เขามีไม่ได้ทำให้เขาออกห่างจากพระผู้เป็นเจ้าเขาศึกษาเขาอ่านด้วยกับพระนามของผู้ทรงสร้าง สิ่งที่ถูกสร้างมลุกต่างๆภูเขาต้นไม้อะไรกันแล้วแต่เราศึกษาเพราะมันเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาศึกษาเพื่อให้เขเข้าถึงผู้สร้างมากกว่าเดิม น, นะครับงานตรงนี้ยากนะพี่น้องเปลี่ยนชนชาติชนชาติหนึ่งเนี่ยทำไมเอ่ยให้เป็นผู้ที่ได้รับการศึกษายากถ้าพี่น้องอยากเห็นภาพนะกลับมาดูตัวอย่างใกล้ตัวในประเทศไทย ในประเทศไทยสมัยก่อนเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยคนจบการศานี่ไปไกลมากนะเรามีคนที่จบเป็น ญ, ญาตีเนี่ยโอ้โหเต็มไปหมดเลยถ้าย้อนกลับไปช่วงอายุคนหนึ่งรุ่นโตเราเนี่ยพี่น้องคนที่จบเปิญญาตีเนี่ยนะถือว่าในสังคมถือว่าสูงมากเพราะการศึกษามันยังไม่แพร่หลายคนเรียนหนังสือได้น้อย จบปศสูสงป .6 ป .4 ชั้น8สมัยก่อนถือว่ามีการศึกษาแล้วนะคราวนี้ในประเทศไทยพี่น้องกลับมาดูกันว่าการที่จะทำให้คนในชาติในสังคมมีการศึกษาเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากแต่ว่าก็อ่านใช้คำว่าอิกกระอใช้กับปี้ก็อ่านเล่มหนึ่งนี่นะครับทำให้ผู้ที่เป็นมุสลิมเป็นผู้ที่อ่านออกเขียนได้พี่น้องที่ ด, ดูเดี๋ยว ย้อนกลับมาดูมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนในประเทศไทยหมาหลายแห่งแรกตั้งคือหมาลยอะไรหมาลไยก่อนโรงเรียนไม่เอามหมาลายคือจุฬานะครับจุฬาตั้งสองสี่ห้าเก้านะสองสี่ห้าเก้านะร้อยกว่าปีตอนนี้ต่อมาธรรมศาสตร์สองสี่เจ็ดเจ็ดปฏิวัติสองสี่เจ็ดห้าสองสี่เจ็ดเจ็ดนะหลังจากนั้นกเกษตรสองสี่แปดหกนะครับปีเดียวกันในตั้งสามาลายเลยกเกษตรมหิดลศิลปกรสองสี่แปดหก หลังจากตั้งแล้วเนี่มาายมหาลัยเหล่านี้ทำไมเอ่ยเป็นมหาลาัยส่วนกลางรัฐ บ, บาลต้องการที่จะขยายการศึกษาไปให้ทั่วประเทศเลยมันมีเหนือมีใต้มีโน่นก็ตั้งมหาลาัยภู ม, มิภาคขึ้นมาเชียงใหม่อของภาคเหนือ2507นะครับขอนแก่นอีสาน2509นะ นี่ด้า น, นากัน2509มากันมอนะครับมันใช่มอปัตตานีมอที่สงขาเนี่ยก่อนจะแยกไปนวิยาเขตปัตตานีเนี่ย2511นะครับหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากขยายทั่วประเทศแล้วเนี่ยก็เปิดมาเลยเปิดคือรามกำแหง2514ฮะคราวนี้คนก็มีตัวเลือกมากขึ้นที่จะเข้าสู่การศึกษาในระดับมาหาลัยรามกำแหงนี่มาเลยครับรับไม่อันเพราะมาเลยเปิดไม่ต้องเข่าไม่ต้องเข า, เขาชั้นเรียน สมัยก่อนที่เรามีอพาร์ตเมนต์เนี่ยที่อยู่กินกันสบายเนี่น้องนะพ่อเด็กมันมาเรียนรางมันเต็มไปหมดเดินกันหัวดําไปหมดห้องนี่ไม่ว่างเลยสมัยก่อนเนี่ยนะครับผมมาเยี่ยมเพื่อนเนี่ยห้องบรรห้องเนี่ยอยู่ใต้หลังคาเล็กนิดนึงแต่ออกไม่ได้ออกแล้วไม่มีที่อยู่ตอนนี้เด็กมันลดลงแล้วนะ 14, สองห้าหนึ่งสี่มสอวอลสองห้าหนึ่งเจ็ดหลังจากนั้นมสองวอก็แยกเป็นถ้าเป็นวิทยาเขตพิษณุโลกกาเป็นทะเลสวร เบีย้ยเขตบางแสงกลายเป็นมบรูปภ า, ามหาสารคามกลายเป็นมมหาสารคามนะครับถ้าสงขากลายเป็นมทัศน์ศิลป์นะสโคตไทย25 21เฉยได้ว่าการที่จะยกระดับคนในประเทศทําไมเอ่ยให้มีการศึกษาเนี่ยมหลาลัยแห่งหนึ่งใชงประมาณเท่าไร่อาจารย์เท่าไรตึกเท่าไรค่าแช้จ่ายเท่าไรและกี่มหลาลัยกว่าที่การศึกษาระดับอุดมศึกษาเนี่ยมันจะแพร่ไปทั่วประเทศพี่น้องกินดู จะเห็นได้ว่ามันใช้อะไรเยอะมากต้องวางแผนใช้ระยะเวลาก็ประมาณบุคลากรเต็มไปหมดกลับมาที่สังคมอาับเปลี่ยนจากที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เลยเนี่ยให้คนต้องอ่านต้องศึกษาต้องเรียนหนังสือยากขนาดไหน มหาไรนี่คือมีระดับมอนะ่ะมีปฐมมัธยมแล้วเนี่ยอยากจะต่อยอดให้สูงขึ้นไปเป็นมหาไรแต่ว่าในสังคมอาหรับสมัยนั้นไม่มีเลยเดียวว่าตระดับธรรมดาเลยไม่อ่านไม่ออกใช้จําอย่างเดียวมุกปาถาว่าอย่างไงจําอย่างนั้นแล้วก็บอกต่อไม่มีการอ่านการเขียนงานตรงนี้ยากหนักขนาดไหนอายาตตรงนี้จึงบอกว่าザเลกามีมาเอาฮาอีเลการับมุกกามีนันเฮกมาสิ่งที่ประทานกับท่านอบีเป็นวะฮี ไม่ใช่ความวิเศษที่มากับตัวท่านอบีนะแต่เป็นวาฮีมาชาอัลลอฮ์แล้วก็สิ่งที่บระทานลงมาเป็นเฮกมะความดีงามเป็นความข้าใจที่ลึกซึ้งส่งผลให้อุมมาทั้งหมดประชาชาิทั้งหมดเปลี่ยนแปลงเราปัจจุบันนี้จึงเป็นอุมามที่มีคำพีนึกภาพไม่ออกเลยครับว่าถ้ามุสลิมไม่มีคุรานจะเป็นยังไงนึกไม่ออกเลย ภาษาลาบอาจจะหายไปเลยก็ได้นะครับนะทุกวันนี้ยังไงก็แล้วแต่ตอนเย็นเรายังไล่ลูกไปเรียนก็อ่านให้บปเรียการอา่านการเขียนสาวที่จะมีฟันดูอีนยังมีตลีกามีอะไรก็แล้วแต่ทำให้มุสลิมทําไมเอ่ยคุ้นเคยกับการศึกษาส่งผลเยอะมากครับอย่างที่บอกให้ไปหลังจากนั้นประมาณหนึ่ศตวรรษมุสลิมไปนคนก่อตั้งมหาเลยแห่งแรกในโลกพี่น้องอาจจะตกใจมากไปอีกถ้าทราบว่าคนก่อตั้งเป็นใคร ไม่ใช่เจ้าเมืองไม่ใช่คนยิ่งใหญ่เป็นผู้หญิงฟาติมะอันฟาเร่เป็นคนก่อตั้งมหาลาการาวียีนนะครับบางคนบอกว่าช่วยกับพี่น้องของเขามีพี่น้องชื่อมารายำช่วยกันก่อตั้งมหาลัยในขณะที่ฝั่งยุโรปเนี่ยพี่น้องในยุคเดียวกันเนี่ยปีเดียวกันเนี่ยยังมีการ ล, ล่าแม่มดอยู่เลยผู้หญิงคนไหนที่มีความสามารถเกินไปเช่นรักษาโรคได้นำทัพได้ คือมีความสามารถเกินผู้หญิงทั่วไปเนี่ยสงสัยแลละอาจจะเป็นแม่มดทำยังไงครับจับเผาเอา้าวพี่น้องเคยดูหนังว่าโจงออฟอาเป็นลูกชาวนานำทัพต่อสู้ทำความดีความชอบนะสุดท้ายเก่งเกินไปถูกเผาหาว่าเป็นแม่มดหลังจากนั่งสองร้อยกว่าปีกลับมาสอบสวนใหม่มันจะเป็นแม่มดเป็นนักบุญแต่โดนเผาไปแล้ว ในฝั่งยุโรปเผาอยู่เลยพี่น้องผู้หญิงที่มีความสามารถเนี่ยถูกเผาเพราะว่าเก่งเกินไปเก่งได้ยังไงแบบนี้อาจจะเป็นแมงมตนแต่ในฝั่งมุสลิมผู้หญิงก่อตั้งมาลายแห่งแรกในโลกพี่น้องคิดถึงว่าอายะธรรมอิสตามในสมัยก่อนเนี่ยมุ่งไปที่การศึกษาฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยต้องส่งลูกเรียนหนังสือกลับมาดูบ้านเราพี่น้องครับคนสมัยก่อนอาจจะไม่ได้เข้าโรงเรียนคนบ้านบ้านเราในนั้นโต๊ะกีโต๊ะเชลเนี่ ย, ตต แ, ยแต่เห็นความสําคัญข อ, ข, อของการศึกษา ดูจากไหนครับดูจากการวกักภาษที่ดินให้สร้างโรงเรียนพี่น้องไปดูสิโรงเรียนที่มันขึชื่อสุราเว์เนี่ยแถวนี้มีอะไรบ้างอสมมตินางนาวาอุปถัมป์นะนะครับเห็นไหมให้ที่ดินแ่วบ้านผมอยู่เป็นสุขอนุศน์สุราวเวย์เข่คบอะไรละ่ะสุราเวย์ล้อแหล่อะไรกันแล้วแต่เหล่านี้ถ้าไปดูแล้วเนี่ยคนที่เป็นอยู่ในสังคมมูสตีมเห็นความสําคัญของการศึกษา แม้ว่าตัวเองอาจจะทํานามาเรียนเรียนหนังสือแต่เข้าใจครับว่าอิสลามให้ควมามสำคัญกับการศึกษาวากับที่ดินให้สร้างโรงเรียนที่ดินที่วากับไม่ได้มีแค่ฟัดูอีนนะพี่น้องวากับให้กทมครับให้รัฐบาลเพื่อตั้งโรงเรียนบัตรของศึกษาทําให้ลูกหลานคนที่อยู่ในชุมชนมีการศึกษานี่คืออารยธรรมของมุสลิมเห็นความสําคัญของการศึกษาส่งผลอย่างสูงครับ ถ้าไม่มีกระบวนการเหล่านั้นนะมุสลิมเราเนี่ยนิสัยคือไม่ค่อยปรับตัวถ้าไปไกลมากเราก็ไม่ไปลูกจะส่งไปเรียนมากเราก็ไม่ไหวจะส่งต้องทําทนาทํำน่นทํานี่แต่ว่าพอมีโรงเรียนอยู่ในพื้นที่ในชุมชนแล้วลูกหลานได้เรียนจะเดินท่าป่าไปเรียนจะอะไรก็แล้วแต่แต่มีโรงเรียนที่ลูกหลานที่เป็นมุสลิมสามารถเข้าถึงได้ไง่ายฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับบอกพี่น้องนะ ประชาชาติมุสลิมเป็นประชาชาติที่ให้ความสําคัญกับการศึกษาตรงกับคําสั่งที่สั่งมาเมื่อพันสี่ร้อยกว่าปีอิ ก, กรเราะ์ให้ความสําคัญกับการศึกษาจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ตั้งโรงเรียนโดยจากที่ดินส่งลูกเรียนอะไรก็แล้วแต่อย่าทิ้งการศึกษานะครับอา้าวในอายาที่สาสิบเก้าครับอลัลลอฮ์ตัดต่อมาว่าเวลาตัญอันอัลลอฮิอิลันอาคัดนะครับอย่ายกเจ้าอื่นนะมาเป็นเจ้าคู้กับอลัลลอฮ์ ยา yeah. พราะจะทําแบบนั้นฟาตุนก่อฟียาหันนมะจะถูกโยนลงไปในยาหันนมในนรกยาหันนำครับมาลูมันมัตหูรอนะสภาพที่ถูกโยนลงไปในไฟนรกนั้นตั้งปาคีเป็นบาตที่ใหญ่ที่สุดทําไมเอ่ยครับในสภาพที่ถูกขับไล่ต้อยต่ําถูกตำหนิถูกอุคือไม่มีเกียรตินะอย่าตั้งภาคีครับเอาล่ะอา้าวในอายะที่สี่สิบครับ อลัลลอฮฺตัดต่อไปว่าอาฟอัสฟาคุมรับบุกุมบินบานีน่ะวัดตะกะดามินันมาลาอิกะติอินาซานะอลัลลอฮฺบอกว่าพระเจ้าของพวกเจ้ามาถึงรูปปั้นเนี่ยคนที่เป็นผู้ตั้งภาคีในสมัยก่อนในมักการเนี่ยเลือกนะครับอธิบายว่าอิสลามกับศาสนาตั้งภาคีไปด้วยกันได้ มูมัดไม่ต้องเผยแพร่ไม่ต้องทําลายจเจวิตไม่ต้องสั่งห้ามบูชาลูกปั้นเพราะอะไรไปด้วยกันได้ไปด้วยกันได้ได ย, ไดยังไงครับก็ลูกปั้นเหล่านี้ที่มีเยอะๆเนี่ยทําไมละ่ะเป็นบารีนเป็นลูกของอัลลอฮ์ฉะนั้นเมื่อเป็นลูกของอัลลอฮ์แล้วลวละกราบไหว้อัลลอฮ์ก็กราบว่า้าลูกปั้นได้ด้วยพ่อจะห้ามทําไมละ่กะกราบไหว้ลูกมันก็ถึงพ่อเหมือนกันอธิบายแบบนี้เช่นเดียวกันมาเลกาเนี่ยนะครับ ลูกปั้นเป็นลูกชายบรรดามาเลค้าก็เป็นลูกสาวอัลลอฮ์ฉะนั้นไปด้วยกันได้จะอิสลามก็ดีจะพุชา่าเจวิต ก, ก็ดีไปด้วยกันได้เพราะเป็นครอบครัวพระเจ้ามีพ่อเป็นพระเจ้าเอา้าพระเจ้าของมุสลิมไปส่วนลูกปั้นเหล่านี้ก็เป็นลูกชายของพระเจ้าไปด้วยกันได้นะครับอลัลลอฮ์บอกว่าอินนากุมเละตะกูลูหนะ้าเกาลันอัลีมาคํากล่าวอ้างแบบนี้ เป็นคำพูดที่หนักหนาเกาลันเอาจีมาาษท้ายก็แปลว่าคำพูดที่ร้การยังแน่นอนเอาไปกันได้ไม่เป็นไรหนักหนายัางไงอาจีมาอย่างไงพี่นอ้องเพราะว่าถ้ายอมรับคำเก่าอ้างตรงนี้แล้วนะทำไมเอ่ยการตั้งพารคีก็จะอยู่ต่อไป ลูกเป็นส่วนหนึ่งของพ่อนะครับบูชาลูกก็ไม่ผิดอะไรพ่อจะห้ามอะไรก็มีการตั้งภาคีต่อไปและอำนาจขอเลือกก็จะไม่ได้เป็นเจ้าที่สมบูรณ์ครับคนในสมัยก่อนถือว่าการมีลูกหลานเยอะเนี่ยนะครับคนที่มีบริวารเยอะเนี่ยได้เปรียบแต่บริวารบางทีความไว้เนื้อเชื่อใจไม่เหมือนลูกฉะนั้นเขามองว่าสมัยก่อนนะยิ่งมีลูกเยอะยิ่งยิ่งใหญ่มีคนช่วยเยอะ นะพ่อเวลาแก่ตัวลูกหลานเยอะมาช่วยพ่อได้ช่วยสนับสนุนได้พอใช้ความคิดแบบนี้มาอธิบายอัลลอฮ์อธิบายพระเจ้าเสร็จก็เหมือนกันอัลลอฮ์ก็อาศัยลูกๆแบบนี้ลูกปั่นเยอะต่างๆยิ่งมีเยอะยิ่งดีทําไมละ่ะจะได้เสริมอำ น, นาจของอัลลอฮ์ฉะนั้นโมมัดเราไปด้วยกันได้เจะเหวทยิ่งเยอะยิ่งดีลูกปั่นเยอะอัสนามยิ่งเยอะยิ่งดีเพราะยิ่งเยอะก็ยิ่งไปเสริมพลังของอัลลอฮ์มันกับ ถึงก็อ่านที่บอกว่าเป็นเกาลันเอลซีมาเป็นคําพูดที่หนักหนาเท่านี้ไม่พอนะครับยังเลือกด้วยในความคิดวัฒนธรรมของอรับในยาฮิเลียในสมัยก่อนเนี่ยลูกชายลูกสาวไม่เท่ากันนะลูกสาวเนี่ยด้อยด้อยเกียรติเลือกเอาพระเจ้าของตัวเองอัสนามต่างๆเป็นลูกชายส่วนลูกสาวที่ตัวเองไม่ชอบและเกียดบันทีฝังต้ําเป็นเนี่ยโยนให้บาลายกะ คำพูดตรงนี้เป็นเกาลันอัีมันสะท้อนอะไรหลายอย่างหนึ่งต้องการที่จะนำการตั้งภาคีเข้ามาในอิสลามสองเป็นการลดอันกุดอรอพลานุภาพของผู้เป็นเจ้าครับใช้ลูกในงานเสริมกำลังเป็นเจ้ามาได้แล้วถ้าเจ้ามีลักษณะแบบนี้มีลูกมีหลานเป็นไปไม่ได้แล้วสามสแสดงอักคติความลำเอียงของตัวเองครับ ในไหนๆก็มีลูกแล้วมีลูกชายลูกสาวเอาของที่ตัวเองชอบเป็นลูกชายพระชจ้าตัวเองส่วนลูกสาวก็โยนให้มาเลกาไปเป็นลูกสาวไปสแสดงหลายอย่างเลยก็อา น, นึงบอกว่าทําไมเอ่ยเละตะกูลูน่าเกาลันอาีมาคําพูดตรงนี้หนักหนาเหลือเกินหนักหนาเหลือเกินตรงนี้เองเนี่ยในะอิสลามเนี่ยนะครับปฏิเสธเด็ดขาด ลำยาฤลิดตัวลำยูแล้วด้วยกับผู้รอดรู้อหัตเนี่ยที่เขบอกว่าอ่านหนึ่งต้นเท่ากับอ่านในหนึ่งในสามก็าอ่านเนี่ยนะครับเพราะว่าเนื้อหาของมันครอบคลุมหลักสัตยานด้วยก็อ่ า, อานนจะแบ่งเป็นสามส่วนห ล, ะ ล, ะละนักๆนะมีคิดชอบประวิชาต์สองมีอาการกฎบัญญัติต่างๆเช่นอย่าเข้าใกใจการซีนาเมรดกไปยังไงนะแล้วก็สามหลักสัตย์ประวิชาต์ อากาบทบัญญตัติและก็ศรัทธากัว ร, รวัววัวฮัตเนี่ยนะครับสรวต้นอหัตเนี่ยครอบคุมหนึ่งในสามคือครอบคุมหลักศรัทธาลำยาลิดวะลำยูรัตไม่มีลูกนะครับแล้วก็ไม่มีพ่อมีแม่ไม่ถูกกำเนิดด้วยฉะนั้นเวลาที่เราศึกษาค น, เ, นเวลาเรียนทุกคนอิมาน6ประการเนี่ยอย่างอื่นเข้าใจหมด แต่งงข้อที่สองว่าเอ๊ะทำไมต้องศรัทธาต่อมาเลก์กาด้วยเหมือนบทบาทไม่เยอะนะนบีเข้าใจคำพีเข้าใจวะเยามัตเข้าใจกระดองก็ตดั้เข้าใจอลัลลอฮ์เข้าใจระซูลเข้าใจมาเลก์กาเนี่ยทําไมต้องอยู่ในหกดูกคนอีมานด้วยเพราะตรงนี้ไงครับมีคําอธิวายว่ามะเลย์กาเนนั้นเป็นเป็นบรรดาลูกสาวของอัลลอฮ์อัอลลอฮ์ใช้ลงมาทํำนูน่นทํำนี่นะ ในเวลาที่เราศึกษาเกี่ยวกับหลักการศัทธาเกี่ยวกับมัลลิก้าเนี่ยมัลลิก้าก็มาได้มีครอบครัวมีลูกมีห ล, ลานนะแล้วก็เป็นแค่บ่าวผู้พักดีของล้อไม่ใช่ลูกสาวของล้อการเรียนลูกคนอิมานข้อที่สองก็ครอบคุมตรงนี้ด้วยตัดปัญหาเลยเพราะเวลาที่เราแปลก็ อ, อา่านมันทีแปลเป็นภาษาอื่นเนี่ยเช่นมัลลิก้าเนี่ยแปลยังไงเอามัลลิก้าจะแปลยังไงสมมติแปลเป็นภาษาอังกฤษแปลเป็นอังเจิลเป็นนางฟ้าเนี่ย ท่านในความเชื่ออื่นก็จะเอานางฟ้ามันก็มีความศักดิ์สงศักดิ์สิทธิ์อะไรทำนองเนี้ยนะครับเออถ้าแปลมาเป็นเทวดาภาษาไทยนะเออเทวดามาทีก็นะครับการบูชาด้วยบางทีเทวดาก็เป็นลูกหลานของเทพนูน้นเทพนี้นะภาษาไทยเราจึงเรียกใช้คาว่าเทวทูตอ่ามันก็ มันก็พยายามเลี่ยงหน่อยแต่ก็มีคําว่าเทวะอยู่อันนี้คือข้อจํากัดทางภาษาเอย่าไปตึงีัว่าใช้คํานี้เทวทูตแล้วเทวะไปใกล้กับเทวดาคือในภาษาที่เราพูดเนี่ยมันมีข้อจํากัดเราพูดภายใต้วัฒนธรรมที่สร้างภาษานั้นมามันก็มีความเชื่อต่างๆติดมาแต่ในนิยามตัวเนื้อควาใจว่าเทวทูตตรงนี้ถ้าแปมลมาเลยก้านนะก็คือไม่ได้เกี่ยวกับการตั้งปาร์คีใดใดทั้งสิ้น น, นะครับเอ้า อันนี้เห็นภาพนะครับว่าหลักสันทานี่นเวลาที่อิสลามเผยแพร่ในสังคมยาลิญาเนี่ยไม่ใช่งานง่ายต้องเอเชิญกับอะไรแบบเนี้นะครับบางทีเขาไมา่ได้ห้ามตรงๆไอ้ที่ห้ามตรงๆก็มีที่ทำร้ายจากฆ่าก็มีแล้วก็มีบางพวกพยายามเกี้ยกล่อมอิสลามจะมาก็ได้ วบบ เ, เว ล, ล่่่ออลล่่่่่่่่่่่่ป่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ว่ะะววว่่่่นมม่น่นน่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ว่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ะ่่่่่่่่่่่่่่่่่่ห่่่่่่่ั่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ วัวเราก็สร้านาฟีฮาด้นานกคัมนีรและเราทําไมเอ่ยได้แจกแจงนะครับสร้านาฟีฮาด้นานกัมภานในกัมภานนี้เนี่ยกัมภานที่กาลังอ่านอยู่นี้เนี่ยเรียนกครูนะครับเพื่อที่จะให้พวกเขานด้รำ ล, ลึกกัมภานเนี่ยนะครับเวลาสอนเนี่ยไม่ได้สอนให้ทําอย่างเดียวนะแต่ปลายาวอุปมาอุปไมยด้วยเช่นเวลาบอกว่าอย่าเดินบนหน้าแผ่นดินโดยความหญิงยะโส ครัวคจะไม่เข้าใจว่าหญิงยโสมันยังไงยกผ้าไปเห็นว่าตัวคุณจริงๆนะเดินบนแผ่นดินเนี่ยมันแค่นั้นแหละแผ่นดินไม่ได้แยกว่าคุณเดินหรือว่าตัวคุณก็ไม่ได้สูงเท่าภูเขาใช้ตัวอย่างใกล้ๆตัวแผ่นดินภูเขาเห็นแล้วเข้าใจง่ายนี่คืออธิบายแบบนี้ทําไมเอ่ยเรียสักการูเพื่อให้พวกเขาได้รู้ลึกแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้ทําไมเอ่ยวามายาซีดูฮุมอินลานุโูรอ อธิบายเท่าไหร่จะชี้แจงเท่าไร่ผลลัพธ์ที่ได้มานะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับอิลานุูรอคุ้กับการตะเวนนี้แปลว่ายิ่งปฏิเสธไปใหญ่ยิ่งสอนยิ่งต่อต้านยิ่งอธิบายยิ่งปฏิเสธเพราะอะไรล่ะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของเหตุผลมันเป็นเรื่องของศรัทธา คือถ้าตั้งใจแล้วว่ายัางไงจะไม่เชื่อนะครับไม่ศรัทธาแล้วก็บวกด้วยอคติแล้วเนี่ยนะครับพูดไปเถอะสอนไปเถอะอะไรกันแล้วแต่ว่ามายาซีดูฮุมอินลานูฟูรอไม่ได้มีศรัทธาเพิ่มยิ่งหนียิ่งต่อต้านไปใหญ่ฉะนั้นเวลาที่เผยแผ่อิสลามเนี่ยนะครับเวลาที่สอนอิสลามบางทีคนปฏิเสธเนี่ยต้องต้องมองให้ออกนะปฏิเสธเพราะอะไร ถ้าไม่เข้าใจอธิบายได้แต่ถ้าว่าปฏิเสธพ่อมีอากาิเยอะนะครับองกติหรือว่าตั้งแง่ยอยู่แล้วยังไงก็จะไม่เอาถ้าพูดประเด็นนี้เอาประเด็นนี้จบแล้วหาประเด็นอื่นมาอีกเราไปพูดอีกอ้าหาประเด็นอื่นอื่นอีกยังไงก็ไม่ชนะกุาก็อ่านบอกว่าควมายาซีดูมอิลเลนุกูรอไม่ได้มีผลเพิ่มพูนอะไรขึ้นมาวนเว้นแต่ยิ่งพูดยิ่งพูดยิ่งหนียิ่งพูดยิ่งตะเลึ นะครับเวลาสอนคนมองด้วยครับว่าเขานั้นติดอะไรในใจปมที่อยู่ในใจคืออะไรเราสอนอยากไปใช่ไหมก็ไม่พอใจปรับี่ตัวเขาหรือว่าเกิดจากกติที่อยู่ในใจเขาในช่วงท้ายของเวลาครับผมทวนเนื้อหาในวันนี้นะครับส่วนตุนอิสระอายะที่สามสิบหกถึงอายะที่สี่สิบเอ็ดนะอายะที่สาสิบหกกับสาสิบเจ็ดเนี่ยนะครับเตือนสองประเด็นนะหนึ่ง พี่น้องจะถูกสอบสวนจากสิ่งที่ได้ยินจากสิ่งที่เห็นและสิ่งที่พี่น้องคิดจะทําอะไรนะครับให้มีข้อมูลระวังให้ดีนะมาไรลล้สาระมาไร้สากะ behavior ไม่มีความรู้ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อเท็จจริงนะครับระวังให้ดีอย่าจะพูดก็พูดไปแต่ว่าถูกสอบสวนนะนะครับหยุดไว้ดีกว่าประเด็นที่สองครับยยอย่าเย่อหยิงอย่ย ะ, ย ะ, ยะโส นะอำนาจบางอย่างที่เราได้มาเนี่ยไม่ใช่คุณสมบัติติดตัวนาะพี่น้องนะครับเวลาตายเอาไปไม่ได้เวลาแก่ก็ไปไม่ได้ไม่ไหวแล้วนะครับนะอลัลลอฮ์บอกว่าสองประการเหล่านั้นการอาศัยอหูอินดารบิก้มักรูฮาเป็นความเลวร้ายและก็ถูกรังเกียจนะอัลลอฮ์ต่อมาครับพูดถึง อัลลอ์ให้วะฮีกับท่านนาบีครับเป็นเหกุไหมผมพยายามยกตัวอย่างให้เห็นว่าอิกราที่อัลลอ์สั่งท่านนาบีให้อ่านให้ศึกษาเนี่ยและเราอ่านอายะห์ตรงนี้ทำตามเนี่ยส่งผลยังไงบ้าง น, นะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงประชาชาติทั้งหมดเลยปัจจุบันมีเท่าไหรเราเกือบสองพันล้านได้ม้งพันแปดรอยล้านให้เป็นคนที่อ่าน ให้เป็นคนที่ศึกษาผมพยายามยกตัวอย่างนะครับว่ากระบวนการเปลี่ยนแปลงยกการศึกษาเนี่ยนะมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายในไทยก็ทําได้ยากนะครับแล้วก็ให้พี่น้องภูมิใจนะครับอารทํารมใการศึกษาเนี่ยมุสิมโดดเด่นมากเราตั้งมหาลัยแห่งแรกในโลกตั้งขึ้นมานําหน้าคนอื่นเนี่ยนะครับฝั่ง โ, โรปเนี่ยสองศตวรรษกว่านะแปดห้าเก้านะครับมหลาลัยกราร์วิลลิน ตั้งโดยผู้หญิงด้วยผู้หญิงในยุโรปยังเป็นไม่มดถูกเผาอยู่แต่ผู้หญิงในโลกอิสลามมีการศึกษาจนกระทั่งตั้งมหาวิทยาลัยนะครับอายาต่อมาครับแสดงความเชื่อนะครับ พวกตั้งปาคีนนนครมากล้าพยายามรวมอิสลามกับความเชื่อตั้งภาคีอัลลอฮฺเป็นพ่อจะเวิดลูกปั้นเป็นลูกชายไมยกล้าเป็นลูกสาวอยู่ด้วยกันได้ไหมบูชาด้วยกันได้ไหมก็มอ่านปฏิเสธและบอกว่าสิ่งที่พูดเหล่านี้คือเกาลันอซีมาหนักหนามากพูดในสิ่งที่โอ้โหยิ่งใหญ่มาก ยิ่งให่ทีนี้ไม่ใช่ดีนะเลวร้ายมากนะครับแล้วก็สุดท้ายครับก็อ่านบอกว่าแม้ว่าจะอธิบายจะชี้แจงอะไรก็แล้วแต่ถ้าในใจครับว่าเขามีอคติแล้วก็ปฏิเสธตั้งเป้าเลยจะปฏิเสธเนี่ยหัวมายะซีดูหุ่มอิลลานูฟหอผลลัพธ์ที่ได้ยิ่งพูดยิ่งต่อต้านยิ่งพูดยิ่งหนีนะอ่าวันนี้ครับฝากกับพี่น้องไว้เท่านี้ครับวบิลไลตาฟิกวันฮิดายอาอัสสลามุอะลัยกุมวบาระห์มัตุลลอฮิวบาระกราตุ